2. ให้รู้ทันใจที่ปรุงแต่งวงเล็บเปิดสสิบธันวาคม2549จุดจุดนาทีบวงเล็บปิดอยู่ที่รู้ทันไม่ใช่ทำเรื่อยไปนะอยู่ที่การรู้ทันมันว่าเราแอบไปปรุงแต่งช่วงไหนเข้าฉะนั้นช่วงเวลาที่จะดูง่ายที่สุดว่าแอบไปปรุงแต่งการปฏิบัติก็คือช่วงตื่นนอน ตอนเราตื่นมาใหม่ๆเรายัางไม่ทันปรุงแต่งพอตื่นมาปุ๊บเรานึกถึงเรื่องปฏิบัตินะเราจะปรุงเคยชินที่จะอัดแบบนี้ก็จะอัดตรงนี้เคยชินที่จะไหลเข้าช่องนี้ก็จะเข้าช่องนี้เคยชินที่จะทำใจให้ว่างก็จะทำใจให้ว่างมันจะทำตามความเคยชินให้รู้ทันมันพอรู้ทันมันตอนหลังเราจะรู้เลยอ๋อเข้าไปคิดตรงนี้เพราะว่าไปทาแบบนี้เข้ามันจะไม่เข้าอีกไม่เป็น ถ้ารู้ไม่ทันก็คิดไปเรื่อยให้สังเกตนะว่าใจเราไปติดไปค้องอะไรให้คอยรู้ไปเรื่อยรู้ทันมันบางคนติดการปฏิบัตินะฉะนั้นอยู่ที่เรารู้ทันไหมถ้าเราไม่รู้ทันสภาวะเราก็ติดถ้าเรารู้ทันสภาวะแล้วเราก็ไม่ติดทีนี้สภาวะมีเยอะค่อยๆสังเกตไปแต่ว่าไม่ใช่สังเกตตัวสภาวะนะให้สังเกตใจเรา เช่นสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นใจเราสงสัยรู้ว่าสงสยัยสภาวะอันนี้เกิดขึ้นดีใจรู้ว่าดีใจให้ดูที่ใจไม่ต้องไปค้นคว้าที่ตัวสภาวะพวกนั้นอันนั้นเป็นสิ่งหลอกลวงให้จิตหลงให้เรารู้ทันเข้ามาถึงจิตถึงใจเลยใจมันจะปรุงแต่งอะไรก็รู้ทันมันเรื่อยใจจะเกิดความอยากขึ้นมาก็รู้ทันมันใจจะดิ้นรนปรุงแต่งก็รู้ทันมันใจเข้าไปยึดถืออะไรก็รู้ทันมันรู้ทันใจ